หลวงปู่ศรีโหเหมะโกพระผู้ทรงอภินยารู้ภาษาสัตว์แล้วก็คนได้ทุกชาติทุกภาษาเปิดตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สำคัญของอายุทยาถึงสององค์ก็คือหลวงพ่อวัดมงคลบพิตรและหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเปิดเผยความจริงจากตำนานเจ้าแม่ส้อยดอกมากวัดพนัญเชิงที่มีอายุก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาถึง300ปี หลวงปู่ศีโหเหมมะโกท่านเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระธุดง์ผู้ทรงคุณวิเศษยิ่งใหญ่องค์หนึ่งประสบการณ์การทุดงของท่านได้พบกับสัตว์ร้ายสิ่งเร้นลับและตำนานของพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ถึงสององค์ที่สร้างก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาถึง300ปีและตำนานประวัติที่แท้จริงของพระเจ้าสายน้ำพึง่งและเจ้าแม่ส้อยดอกมากแห่งวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สำหรับหลวงปู่สีโหเหมมะโกท่านเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดและชอบรุกขมูลไม่ชอบอยู่วัดวาอารามท่านเองก็รักที่จะอยู่ตามป่าช้าตามถ้ำในป่าเปลี่ยวบริเวณที่วิเวกแวดล้อมไปด้วยสัตว์ร้ายนาน า, นาและไข่ป่านะคะมุ่งมั่นอยู่ในมรรคกระแสพระนิพพานเต็มตัวไม่วอกแวกไปทางอื่นที่ท่านไม่ชอบอยู่ตามวัดก็เพราะว่าไม่ชอบคลุกคลีกับชาวบ้านก็เลยทาให้ใกล้ความ นั่นเองค่ะเป็นเหตุให้กิเลสกำเริบแล้วก็เข้าไปเกาะจิตวิญญาณ สำหรับพระอาจารย์ยี่หลกสิทธ์ก้นกุฏิของหลวงปู่สีโหท่านเองก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงปู่ให้ฟังค่ะพระอาจารย์ยี่หลกท่านเป็นพระธุดง์ที่มียานแก่กล้าเคยทุดงไปแต่ลําพังผู้เดียวทั่วภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ข้ามเขตเข้าไปในประเทศพมา่าแล้วก็ประเทศลาวมาแล้วท่านเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์น่าเลื่อมใสดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงยืนยันได้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการ พระอาจารย์ยี่หลกนะคะท่านเล่าว่าประมาณปีพุทธศักราช2473พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ให้พระอาจารย์สิงขันตยาขโมนำพระภิกษุสามเณรจำนวนมากจัดเป็นกองทัพธรรมออกเผยแพร่ธรรมสมัยนั้นนะคะหลวงปู่สีโหท่านเองก็ยังเป็นหนุ่มแต่ก็มีชื่อเสียงในทางกรรมฐานมากแล้วก็ได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มั่น สำหรับหลวงปู่สีโหนะคะท่านเองก็พร้อมพระทุดง 5-6 รูปค่ะได้ไปปักกลดอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมันจาาคิรียังความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชาวบ้านคขนับถือผีค่ะ ไม่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเห็นพระเป็นศัตรูไปหมดเพราะว่าเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นว่าคณะพระธุดงชอบทำลายสารปู่ตาที่สถิตของผีสางที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้บูชาเพื่อให้ชาวบ้านหันมานับถือพระสงฆ์องค์เจ้าสำหรับสารปู่ตาที่ป่าช้าหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะก็ขึ้นชื่อลือชาละคว่าดุร้ายมากชาวบ้านผ่านไปมาถ้าทาอะไรผิดแม้แต่เล็กน้อย เป็นต้นว่าขาดการให้ความเคารพนบไหว้ไปเก็บเห็ดเก็บผักในป่าก็ลืมบอกบ้างหรือจะไปถ่ายปัสสาวะหรือทำต้นไม้ในเขตสารหักบ้างก็มักจะถูกผีปู่ตาเนี่ยทำโทษให้เจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะก็เลยสร้างความเกรงกลัวให้กับชาวบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหลวงปู่สีโหดรู้สึกสลดสังเวชนะคะที่ชาวบ้านหลงผิดไปนับถือผีมีความเกรงกลัวแบบไร้สาระ ต้องฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่ไปสังเวยเส้นสวงกันไม่ขาดเป็นการทำลายชีวิตสัตว์หน้าอเนจอนาจายยิ่งซ้ำยังทำให้ชาวบ้านขาดศีลธรรมเพราะไม่มีผู้ชี้ทางให้ข้ออัดข้อทำสั่งสอนอบรมกล่อมกล่าวกระมลสันดานให้รู้จักผิดถูกให้รู้จักความเมตตาปรานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชาวบ้านก็มีแต่การมั่วสุมในอบายมุกไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้าเมายาเล่นการพ น, นัน เมื่อผิดใจก็ตีรันฟันแทงกันจนถึงขั้นล้มตายกลายเป็นคนโหดร้ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ ชีวิตของพวกเขาน่าสงสารแท้เมื่อตายแล้วหนทางไปก็คืออบายภูมิมีนรกเป็นแดนเกิดที่แม่นมั่นหลวงปู่สรีโหท่านมีจิตเมตตาคิดอยากจะช่วยพวกเขาออกมาจากทางอบายภูมินะคะก็เลยได้พาพระธุดงในคณะเนี่ยตรงไปยังศาลปู่ตาที่ร่าลือกันว่าเฮี้ยนนักเฮี้ยนหนามีฤทธิ์ในทางชั่วร้ายแห่งนั้นแล้วก็ช่วยกันรื้อศาลทาลายลงจนราบคาบไม่เหลือชิ้นดี การกระทําของพระธุดงองค์ขเจ้าค่ะสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไปทําลายล้างความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาปรากฏว่าในตอนกลางคืนวันนั้นค่ะผีปู่ตาได้ออกอาลวาดครั้งใหญ่ชาวบ้านนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยว่ามีเสียงประหลาดได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายกับมีฝูงวัวฝูงควายนับร้อยนับพันตัววิ่งเข้าไปในหมู่บ้านฝุ่นคลุ้งไปหมด แต่ก็มองไม่เห็นตัวนะคะมาในหมู่บ้านก็ส่งเสียงเห่าหอนแล้วก็ร้องอิดอาดอิดอาดกันจนหางจุกก้นแสดงถึงความเกรงกลัวในเสียงประหลาดที่มนุษย์มองไม่เห็น ชาวบ้านรู้ดีค่ะว่าเป็นขบวนผีปูตาอลวาดเพราะว่าถูกคณะพระธุดงค่ะเข้ามาทำลายศาลนอกจากเสียงวิ่งแตกตื่นปานว่าหมู่บ้านจะถล่มแล้วยังปรากฏเสียงร้องห่มร้องไห้กันระงมทางลูกเด็กเล็กแดงเป็นทำนองพร่ำรำพันว่าบ้านช่องถูกทาลายแล้วพวกตนจะไปอยู่ที่ไหน ก็เลยได้รับความเดือดร้อนแสนลำบากบ้านแตกสาแหลกขาดเลือดตาแทบกระเด็นชาวบ้านจะต้องได้รับการแก้แค้นในครั้งนี้เสียงร่าไห้โหยหวนรำพันเหล่านี้ก็คือเสียงของฝูงผีนั่นเองค่ะรุ่งเช้าชาวบ้านล้วนชายชการหมู่หนึ่งก็ได้ยกขบวนกันมาที่ป่าช้าทุกคนนะคะก็ถือปืนแก้ทาบศิลากันคนละกระบอกด้วยความโกรธแค้นมุ่งว่าจะฆ่าหลวงปู่สีโห พอมาถึงได้ระยะเผาขนก็ตะโกนด่าอย่างหยาบคายต่ำช้าต่างๆ น, นานาแล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วยิงมายังหลวงปู่สีโหและคณะพร้อมกันทุกกระบอกค่ะปรากฏว่าปืนทุกกระบอกนี่คือยิงไม่ออกแต่เมื่อปืนยิงไม่ออกชาวบ้านก็ตกใจก็เลยพากันโยนปืนทิ้งชักดาบออกมาจะวิ่งเข้าไปฟาดฟันหลวงปู่แล้วก็พระที่ร่วมเดินทางมา ก็ปรากฏเหตุอัศจรรย์ปรากฏว่าทุกคนก็ก้าวขาไม่ออกคล้ายกับมีก้อนหินหนักอึ้งท่วงที่เท้าต่างก็ดิ้นรนกันไปมาหูตาเหลือกด้วยความตกใจแล้วก็พากันล้มลงค่ะ เมื่อเจอกับอภินิหารของหลวงปู่สีโหเช่นนั้นคนเหล่านั้นก็พากันหวาดกลัวจนตัวสั่นหน้าซีดเหมือนคนตายพากันร้องอ้อนวอนขอขมาลาโทษหลวงปู่สีโ h ท่านเป็นพระที่มีจิตเมตตาไม่เคยนึกพยาบาทจองกรรมจองเวรผู้ใดก็เลยถอนพลังกระแสจิตด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์อภิญยาทาให้คนเหล่านั้นสามารถลุก ข, ขึ้นเดินได้เป็นปกติ ก็เข้ามากราบนมัส ก, การแทบเท้าของหลวงปู่แล้วก็คณะสงฆ์หลวงปู่ได้เมตตาอบรมธรรมะให้ฟังอย่างง่ายๆแต่ทว่ามีข้ออัดข้อทำลึกซึ้งกินใจมองเห็นอะไรผิดอะไรถูกเห็นทางนรกและทางสวรรค์ชัดแจ้งดุดคนเรามองดูเงาตนเองในน้ําแล้วก็เห็นเงาเช่นั้นคนเหล่านั้นก็มีน้ําตาไหลออกมาด้วยความสํานึกผิดชอบชั่วดีจากนั้นหลวงปู่สีโหรนะคะก็ได้ให้พวกเขาไปหาเอาทรายมา แล้วท่านก็ได้เศษคาถาปราบผีให้เอาทรายไปหว่านทั่วบริเวณหมู่บ้านปรากฏนะครว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นสงบร่มเย็นดีไม่มีผียกขบวนวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านให้หมูหมาแตกตื่นห่าหอนแต่อย่างใดก็เรียกว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ของผู้คนในหมู่บ้านนั้นนะคะชาวบ้านได้พากันมากราบไหว้หลวงปู่แล้วก็นํา เข้าปลาอาหารมาถวายมากมายแล้วก็ยังได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ด้วยเพื่อเป็นหลักสรณะที่พึ่งโดยจะสร้างวัดถวายด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่สีโหท่านก็ได้ให้พระธุดงในคณะสองรูปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเจริญศรัทธาและช่วยชาวบ้านสร้างวัดป่าสารวันขึ้นตามนโยบายเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ส่งบุตรหลานบวชเรียนบำเพ็ญศีลปฏิบัติธรรมให้พระศาสนาเจริญแพร่หลายออกไปค่ะสําหรับเรื่องราวลึกลับ ะะที่หลวงปู่สีโหนะคะได้ประสบพบเจอก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องอาถรรพ์ขุมทรัพย์พระนเรศวรมหาราชค่ะที่วัดป่าแก้วอันนี้หลวงปู่สีโหท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์ผีหัวขาดเนี่ยมีอยู่จริงถ้าหากว่าใครนะคะที่คิดจะลองดีแอบไปลอบขุดสมบัติโทษถึงตายทันทีค่ะ เรียกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วก็ถูกเล่าขานกันนานมาแล้วเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระทุดงหลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับขุมทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลภายในวัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดนี้ตามประวัติกล่าวไว้ค่ะว่าเดิมเป็นวัดราดเรียกกันว่าวัดป่า ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดสำคัญประจำนคร อ, อโยธยาเดิมก็คือวัดพนัญเชิงวัดมเหยยงวัดกุฏีดาวแล้วก็วัดอโยธยาค่ะ ครั้งถึงแผ่นดินของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองก็ได้ส่งให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้งไทยเชื้อพระวงศ์ที่เป็นอหิวาตกโรคตายขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดนี้แล้วก็ส่งซ่อมแซมบุรณะพระเจดีย์วิหารก่อนจะส่งสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดเจ้าพญาไทยให้เป็นที่พำนักของพระนพรัตน์ซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรัญยาวาสีค่ะแล้วก็ด้วยอนณาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ ชาวบ้านก็เลยนิยมเรียกชื่อว่าวัดใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช 1991-2031 นะคะในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่ง นำกันออกไปอุปสมบทนะคะแปลงเป็นสิงหาณีนิกายแล้วก็ศึกษาพระพุทธศาสนาณสำนักพระนพรัตน์มหาเถระในลังกาทวีปสำเร็จแล้วก็กลับมาตั้งคณะป่าแก้วที่วัดเจ้าพระยาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้วภายหลังนะคะเรียกเหลือสั้นลงแค่วัดป่าแก้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆวัดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เซียนพระแล้วก็นักเล่นของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค่ามหาสารฝังไว้ใต้ดินและแน่นอนครัว่าแต่ละที่จะต้องมีพูดที่เรียกว่าปู่สมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อแล้วก็ขยานในอิทธิฤทธ มักจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่ว่ากับกลุ่มคนที่ชอบลักลอบเข้าไปขุดพวกนี้ค่ะจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ากิเลสแล้วก็ความละโมบที่มีอยู่ทำให้ตามืดบอดมองไม่เห็นหายนะแล้วก็ความตายจากคำสาปแช่งของบรรพบุรุษที่กำลังจะมาถึง วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตนี้มักจะมีพระธุดงค์แวะเวียนมาปักกลดสแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำสมัยนี้เล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมงูจงอางนะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายเปลี่ยวแล้วก็ยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันบอกว่าผีดุมากจนชาวบ้านเนี่ยไม่กลา้าที่จะย่างกรายเข้าไป แต่ว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งค่ะใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักกลดสำหรับพระภิกษุรูปนี้นะคะท่านก็คือหลวงปู่สีโหพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นสิทธิใกล้ชิดของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตพระประมาจารย์แห่งกรรมฐานของภาคอีสานค่ะ หลวงปู่สีหโธท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ฟั้นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนันลโยแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวิไนแต่ว่าไม่ชอบอยู่วัดเพราะว่าท่านรักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับการยกย่องว่ามีความเมตตาแล้วก็มีพลังจิตแก่กล้ามีอํานาจแห่งอิทธิฤทธิแล้วก็อภิน ญ, ญา หลวงปู่สีโหท่านเคยมาปักกรดอยู่ในวัดป่าแก้วนะคะใกลก้กันกับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชัยแก่พมา่าแล้วขณะที่ท่านพำนักอยู่นะคะได้มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ค่ะพากันเข้ามาในวัดแล้วก็มองดูลักษณะคล้ายกับพวกโจร คนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกรดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ท่านก็เลยถามว่าเหตุใดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นก็ตอบตามตรงว่าเขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ว่าไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยแล้วก็ยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติไว้มากมายถึง713แห่ง พวกเขาขุดมาแล้วห้าแห่งแล้วก็ตามลายแทงยังบ่งบอกนะคะว่าบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่สมเด็จพระนเรศวรสร้างขึ้นมีขุมทรัพย์อยู่ถึง27ขุมมีข้าวของเงินทองและก็เพชรนินจินดาอยู่มากมายหลังจากนั้นค่ะกลุ่มชายชะกันก็ได้เอาสมุดข่อยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งขุมสมบัติใต้ดินบริเวณรอบๆพระเจดีย์ให้กับหลวงปู่ได้ดูนะคะ นอกจากนี้ในสมุดข่อยก็ยังมีแผนที่แสดงขุมทรัพย์ต่างๆทั่วกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่น่ากลัวก็คือภายในสมุดข่อยเล่มนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ซีดค่ะก็ปรากฏว่ามีคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโจรพวกนี้จะได้เห็นหรือเปล่านะคะเรื่องขุมทรัพย์ รายรอบพระเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆบอกว่านอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านเองก็ยังเคยเห็นทองลุกค่ะซึ่งเป็นไฟพเนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้ ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นในลักษณะนี้นะคะแสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นจะต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอน สำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบแล้วก็นำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระนพ ร, รัตน์ป่าแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยแก้อาถรดวงเมืองที่ตกต่าร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์ค่ะ การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นเล่ากันว่ามีการนาอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาทําพิธีด้วยแล้วก็มีการเสกไข่เสี่ยงทายแล้วก็พบไข่เป็นสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำค่ะซึ่งบอกให้รู้ว่ามีขุมทรัพย์ประเภททองคำเพชรนินจินดาแล้วก็เงินตราโบราณอยู่มากมายทาให้พวกโจรเนี่ยดีใจกันนะคะแล้วก็ช่วยกันทาการขุด เมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบโครงกระดูกสี่โครงนอนหัวชนกันหันเท้าไป4ี่ทิศนะคะแล้วก็ขุดลงไปอีกจอบหนึ่งก็ไปกระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคาของอุโมงค์เก็บสมบัตินะคะก็เลยพยายามช่วยกันแซะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นและหน้าประหลาดที่ภายอุโมงค์นั้นมีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายกับว่ามีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในค่ะ อาจารย์ทางศยศาสตร์นะคะร่วมทีมที่มาร่วมทีมด้วยเนี่ยก็เลยทดลองเอาด้ามเสียมแห่ลงไปดูปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายก็เลยทำให้แน่ใจค่ะว่าภายในหลุมนี้มีหุ่นพยนต์หรือจักพยนต์ที่คนโบราณเชื่อนะคะว่าผูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์ หุ่นพยนหรือจักพยนนี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีแล้วก็คมกริบเคลื่อนไหวด้วยกลไกลที่ผลักดันจากแสงแล้วก็อากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ค่ะยังมีการปลุกเสกลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนตรศิ์ ให้มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่หากจะทําลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สําหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางศิยศาสตร์มาคอยแก้อาถันอยู่ด้วยก็ยังทําได้ยากนะคะเพราะว่าขณะที่กําลังทําพิธีล้างอาถันหุ่นพยนต์นั้นอุโมงค์ขุมทรัพย์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังครืดคลาดเป็นที่น่าอาศัศจรรย์หนําซ้ําก็ยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงค์จนเต็มไปหมดค่ะเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ล่วงล้ําเข้าไปอีก แต่ถึงจะเจออภินิหารซึ่งหน้าเช่นนี้กลุ่มโจรก็ยังไม่ย่อท้อก็ตั้งใจเหว่าจะเริ่มขุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกดื่นคืนนั้นพวกโจรกลับกันหมดก็ได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้ากรดหลวงปู่ศรีโโห ทั้งหมดคือพูดที่คอยเฝ้ามหาสมบัติให้สมเด็จพระนเรศวรมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่ากลุ่มโจรเหล่านี้เนี่ยมาขุดพระราชทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้าเจ้ามหากษัตริย์ที่ทรงสาบแช่งเอาไว้แล้วยังทําพิธีไสยศาสตร์ทําลายข่ายอาถรรพ์ที่พระครูโรหิตโบราณอาจารย์นะคะท่านได้ทําไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับว่าเป็นการทําลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบ แต่ว่าหลวงปู่ศรีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาค่ะท่านก็เลยได้ขอบินทบาทชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดหลาบก็พอทำให้วิญญาณทั้งสีนิ่งอึง้งและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดคุยกับพยายมบาลเองนะคะพวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแค่ว่าทำตามหน้าที่เท่านั้นพอพูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีค่ะ หลวงปู่ศีโหจึงเข้าฌานติดต่อ ก, กับพญายมมบาลเมื่อพยายมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้เนี่ยดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่ว่ากรรมหนักกําลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรค่ะพวกนี้ก็ควรได้รับผลจากคํำสาปแช่งบ้างจะได้หลับจาเป็นอันว่าท่านพญยายมบาลค่ะก็ตกลงไว้ชีวิตพวกโจรพอรุ่งเช้านะคะหลวงปู่สีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ําเพื่อออกบินทบาท ก็ได้เห็นกลุ่มจนพวกนี้กำลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกลุมท้องบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังครืนนะคะทำให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าเจดีย์จะถล่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตและก็พากันเดินหายไปทางกาแพงแก้วด้านทิศใต้พวกจนที่อยู่ในนั้นนะคะก็ร้องอุทานด้วยความตกใจ หลวงปู่ก็เลยบอกว่าพวกเขาคือปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวค่ะหูตาเหลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามกันหลวงปู่เห็นแล้วก็ยิ่งเกิดความสังเวช ท, ที่โจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นนะคะก็เลยได้จาริกออกจากอายุธยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบสลายเฝ้าขุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยถากรรมค่ะ ปู่สมเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบหลู่ลองของก็เชิญพิสูจน์ได้นะคะที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอายุทยาเพราะสมบัติมีค่ามหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรสวนณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีย์นั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญหรือผู้มีวาสนาขุดขึ้นมาใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและพระพุทธศาสนาในยุคต่อไป พระเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุทธา ธ, ธิปีมีชัยชนะเป็นปูชนียวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชเตือนใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบรุษเป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเนื่องมาจากธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนาค่ะ